ครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับบสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับคือว่าอาจารย์สบายดีนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ครับครับสวัสดีท่านผู้อยู่หลังไหม่แล้วก็ทุกท่านนะครับครับสวัสดีทุกท่านอาจารย์มีอะไรวิจารณาบ้างไในในฟั่งมาไหมท่านอาจารย์เริ่มต้นฟังฟังมาแต่ต้นเลยครับครับฟังมาแต่ต้นครับก็ ก็อยากจะเสนออ่อขึ้นสู่การพิจารณานิดหนึ่งครับครับรู้สึกจะเคยพูดในรายการนี้หรือเปล่านะฮะเดีอเอ๋ยวอ อ, ออันนี้มันเรื่องยากอย่าพูดดีกว่านะครับเรื่องที่สังสารวัฏอะไรที่ก <c oughs> ารดำเนินเสนที่เราแคครับไม่ยาก<ม>แต่มันค่อนข้างยากาครับอานา<อ>มัคทะโคเลยอานามัตตะโคอย่างติคเวสังสายโรเนี่ยนะครับครับ โดยผมผมพูดแล้วก็ขอเสนอท่านผู้รู้เอาไว้นิดหนึ่งนะครับถ้าเผื่อท่านผู้ใดที่ฟังอยู่แล้วก็ช่วยวินิจฉัยด้วยว่าเอคําแปลที่ถูกต้องเป็นอย่างไรคโดยคาแปลอาจจะแปลว่าเบื้องต้นและที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายของอสังสารวัตรนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏหรือว่าที่สุดเบื้องต้นหรือเงื่อนต้น สังสารวัฏนี้ยาวไกลไปตามไม่รู้เงื่อนต้นของสังสารวัฏนี้ไม่ปรากฏหรือว่าเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ปรากฏอัมมตะโทเนี่นยน ะ, ะตัวนน้นฮตัวปุปุปพาโกตินะปัญญายติปุปพา ไอตัวตัวอนามิตโคยังพิกเวสังสายโหนั้นไม่ไม่สงสัยไม่สงสัยไม่สงสัยสงสัยว่าทีนี้ปุปพาโกตินปัญญายติแปลว่าเบื้องต้นเบื้องปลายหรือว่าแปลว่าเงื่อนต้นคืออันไหนถูกอันไหนถูกกันแน่ครับปุปพาในเบื้องต้นโกตีในเบื้องปลายนี่นะครับจะเจอโกตีท่านแปลว่าเงื่อนต้นเอแปลว่าที่สุดแล้วก็ปุป ปุพานั่นแปลว่าเบื้องต้นก็ได้ต้นที่สุดอ่าทีนี้จะแปลว่าเบื้องต้นนละที่สุดที่สุดหรือว่าแปลว่าอที่สุดถึงเบื้องต้นอเบื้องเงื่อนต้นน่นนะฮะเงินต้นโกติแปลว่าเงื่อนปุพาแปลว่าต้นเงื่นต้นหรือข้างต้น่ะที่สุดข้างต้นครับที่สุดข้างต้นไม่ปรากฏ ถ้าเพื่ออาจารย์สนิทฟังอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์สนิทลองลองแสดงความคิดเห็นดูนะฮะลองลองช่วยปุพภาโกติล ป, ปัญญายติครับนะปัญญายติจะแปลว่าเบื้องต้นและเบื้องปลายในอย่างหนึ่งนะส่วนมากก็ะจะแปลอย่างนั้นเบื้องต้นหรือเบื้องปลายบเื้้องตนในพระไตรปิฎกก็แปลอย่างนั้นบตรปิฎกภาษาไทยนะฮ ะ, ะเบื้องต้นและเบื้องปลาย แต่ที่นี้ผมสงสัยอนะครับสงสัยว่าถูกหรือเปล่าถ้าจะแปลว่าเงื่อนต้นอ่าก็โดยโดยลักษณะของศัพท์หรือโดยภาษาอาจะแปลว่าเบื้องต้นเบื้องปลายหรือจะแปลว่าที่สุดเบื้องต้นคือหมายความว่าตัวปุถาเนี่ยมาขยายตัวโกติครับขยายตัวโกติคือที่สุดแห่งเบื้องต้นเลยนะที่สุดเบื้องต้นฮนะคือหมายความมาเงื่อนต้น ข้างต้นนะครับข้างต้นไม่ปรากฏแต่ทีนี้ข้างปลายข้างปลายนี่เพราะถ้าถ้าถือตามตามภาษาอันนี้จะแปลอย่างนี้ได้ไหมคือว่าเงินตนไม่ปรากฏพอดีกิริยามันเป็นเอกพจน์ด้วยนะฮะรับปัญญายตมิมันไม่ใช่และใช่มมันเป็นเอกเป็นเอกพจน์ด้วยแต่ทีนี้ถ้าเป็น เบื้องต้นและเบื้องปลายมันน่าจะมีจำปัญญายัญโขแล้วก็เป็นปัญญายั ญ, ญยเป็นเป็นสมาด้วอาจาร ย, เารารย์เป็นศัพ์สมาด้วยคงจะ ไ, ไม่เป็นไรไหมแยกกันอยู่อ๋อปุพาแล้วก็โกติที่แยกกันใช่ไหมปุพาตัวหนึ่งโกติตัวอ๋อแหมเหนือว่าสับติดกันอ่าแยกกันนะอาจารย์ทีนี้ถ้าจะไปอย่างที่ว่านั้นเขาบอกว่าเงื่อนต้นไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏแสดงว่ายอดต้องปรากฏช่วงปลายต้องปรากฏ เ, เบื้องปลายก็ถ้าถือตามหลักพุทธนะฮะเบื้องปลายก็คือนิพพานอ๋อเบื้องปลายของสังสารวัตรก็คือนิพพานครับถ้าไปถึงนิพพานนั่นคือเบื้องปลายของสังสารวัตรครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นนี่ใครถามว่ า, าวเราเกิดมาเมื่อไหร่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าถามเลยออ พระเจ้าานบอกอย่าถามเลยอว่าสังสารวัตรนี้เริ่มต้นเมื่อไหร่เราเกิดมาตั้งใจเมื่อไหร่หรือ ว, ว่าสัตตัวแรกเนี่ยคือใครับอะไรนี่คือการสาวหาเงื่อนต้นสาหาเงินต้นหรือสาวหาเบื้องต้นของสังสารวัตรมันก็เป็นปัญหาว่าเอ๊ไก่กับไข่นี่มนไข่มันเกิดก่อนไข่เนียแต่ถ้าเบื้องปลาย <c oughs> เบื้องปลายนี่มันจะไปปรากฏอยู่ที่นิพพานนิพพานเป็น เบื้องปลายของสังสารวัตรอันนี้เราพอเห็นได้ปรากฏได้ครับนะครับแต่อันนี้ผมก็เสนอขึ้นเป็นเพียงเป็นเป็นทางวินิจฉัยของท่านผู้รู้ครับให้ท่านผู้รู้ได้ท่านผู้รู้ช่วยกันคิดหน่อยนะครับช่วยกันอออกความเห็นมาหน่อยปุปพากวติครับปุปพาแล้วัตนะฮะไม่ไม่ได้ติดกันปุปพาโกติโกตินะปัญญายติ อวิชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชานะนังสันทาวตังสังสารตังออนมัมตะโคยังพิครีสังไสรูนะฮะต้นนั้นนะปุปปาโกตินปัญ ญ, ญายติอวิชานิวรณานังสําหรับสัตว์ผู้ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้งกันมีตัณหาเป็นเครื่องรอยรัด เ, เล่นไปจูท่องเที่ยวอยู่ ก็ก็เท่านี้นะครับอาจารย์ชำนาญจะว่าไงกองาก็ยังแต่ขอขอควลมเห็นขอคเห็นนั้นอันี้อยู่ในพระเจ้าิโดกเล่มไหนฮะเล่มสิบกครับพระเจ้ิโดกบาลีเล่มสิบหกที่ที่อาจารย์ชำนาญก็ยกมาเมื่อกี้นี้นะฮะนั่นท่านยกภาษาไทยภาษาไทยี่ฐานวักเล่มสิบเออเหมือนฐานวักเล่มสิบหกอนามัค่าตักข่าสั่งหยุดครับ อ่าข้อสี่ข้อ4ี่รอยี่สบเก้าพระยี่สิเ็ดอยี่สิ้อสี่รอยี่สบอแต่ว่าปรับพืจะสูตรที่อาจารย์ชำนานยกมาถูกแล้วครับเป็น4ี9รอยิบเก้าใช่ครับครับนี่สี่รอยี่อันนี้อันนี้เอาว่าตั้งแต่ต้นเลยขึ้นต้นจะเหมือนกันหมดครับทุกทุกพระสูตรสำหรับสังยุทนี้นะฮะเอเหมือนกันเอถ้าถ้าถ้าจะแปลยัง ปุพพาเบื้องต้นโกติเบื้องปลายแต่ว่ากุริยาศัพท์เป็นเป็นเอกวัชนะเน่าจะมีจ่าสับคุมนะครัฮะผุพพาเจวะโกติจา่าแล้ก็ณปัญญายันติต้องเป็นพระโหพด์น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะนะครั บ, รบผมผมเพียงเสนอครับผมอาจจะผิดก็ได้นะครับอาจารั บ, รบอันนี้ก็ฝาจารย์เสนออาจารย์ทำนาน เช่าคุณศรีประยสเมรีที่กำลังฟังอยู่ครับถ้าเพื่อนท่านฟังอยู่นะครับครับช่วยให้แสงสว่างกับท่านผู้ฟังด้วยครับครับครับก็เรื่องนี้ก็คงจะเอาไว้ขึ้นี้ก่อนครับ<ต>เข้าประเด็นแตท่านอาจารย์วินิจฉัยว่าอาที่สุดแห่งเบื้องต้น อแน่าจะเป็นอย่างนั้นใชถ้าจะแปลอย่างนี้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องต้นไม่ได้ไม่มีแห่งหรอทนนะที่สุดเบื้องต้นค่ะปุพานั้นเป็นวิเศษณทนางโกติคือเบื้องต้นไม่มีปรากฏแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายปลายทางนี้คือนิพพานนี้มีปรากฏนิพพานครับที่จะจะยุติยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้จะวินิจฉัยทีนะครับถึงในเรื่องที่จะคุยกัน วันนี้เรียนท่านอาจารย์ไว้ว่าจะคุยกันเรื่องการใช้โยนิโสมานัสิกาการใช้โยนิโสมานสิการผมขอเริ่มต้นด้วยพระพุทธภาสิตก่อนนะครับพุทธภาสิต ท, ที่เกี่ยวกับโยนิโสมานสิการพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเอาเราไม่เห็น เราไม่พิจารณาเห็นทำสักอย่างหนึ่งอย่างอื่นที่เป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอที่เกิดมิจฉาทิฏฐิที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้นเหมือนกับอโยนิโสมนสิการครับอโยนิโสมนสิการนี่ทําให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญมากขึ้น หมายถึงตัวมิจฉดทิฏฐิจ ะ, ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นใช่ครับทำถ้าเป็นอโยนิโสมนสิการ<ะ>ครับตอนนี้ในข้อต่อมาก็ว่าพิกษุทั้งหละเราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วสัมมาทิฏฐิที่เกิดแล้วจเจริญมากขึ้นเหมือนกับโยนิโสมนัสิการ โยนิโสมนาสิกานี้ทำให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจเจลืญมากขึ้นอันนี้เป็นพระพุทธภาษิตใน <Okay. S 1> เอกธรรมมาธิปาลีอังคุจนิกายเอกนิบาตครับเอกนิบาตขอหนึ่งร้อยแปดสิบห้ากับหนึ่งร้อยแปดสิบหครับอันนี้ก็อาจารย์เคยคุยถามว่า เ อ, อกับปาราโตโคสะเป็นยังไงกันใช่ไหมครั บ, รบอันนี้ก็เกี่ยวกับมิจฉาทิทธิมันก็มีปัจจัยอยู่สองนะครับคืออายโยนิโสมานสิกาดับกับปารโตโคสะที่ไม่ดีรครัปาราโตโคสะที่ไม่ดีปาราโตโคสะนี่ก็จะแปลว่าวสิ่งเวทล้อมสิเวทล้อมครับเป็นตำราเป็นหนังสือเป็นคนเป็นสำหนักเป็นอะไ ร, ะไรก็ได้ครับครับอก็ก็เป็นปาราโตโคสะ ถ้าแปล่ําตัวก็แปลว่าเสียงจากพูดแล้วเราก็ไปเชื่อเขาเชื่อเชื่อถ้าหากว่าเชื่อโดยโยนิโสมนัสิการก็ไม่เป็นปัญหาอะไระถ้ามีโยนิโสมนัสิการไม่เป็นไรนะครับโยนิโสมนสิกานจะเป็นตัวคุมให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอยู่เสมอครับถึงจะได้ฟังมาไม่ดีได้ยินมาไม่ดีหรือข้าวสานักไม่ดีก็เลือกได้อ่ะ เลยอใจว่าอันนี้ไม่ถูกต้องไม่เอาอันนี้ดีก็เอาโยตัวโยนิโสมนสการนี้เป็นตัวสำคัญมากก็เหมือนเราไปไปตลาดผลไม้นะท่านอาจารย์ครท่าจะซื้อส้มซึ่งใส่กระจาดไววเนี้ยครับถ้าหากว่ามีโยนิโสมนสการ์เราก็ไปเลือกดูเอา ผลที่สวยสนที่ที่ดีที่งามเราก็เลือกเอามาก็ในสวนเดียวกันนะฮะมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็เลือกเอาได้แตถ้าหากว่าไม่มีโยนิโศวิธิการก็หลับหูหลับตาหยิบเอามาเธอเน่าบ้างหรือโยนทิ้งไปหมดเลยก็ได้ครับมีมีคนอยู่คนหนึ่งครับก็ อคิดไม่เป็นนะครับคือขาดโยนใน้สมนาสิกันก็คิดคิดไม่เป็นก็ทําทงานเก็บเงินได้หนึ่งล้านบาทแล้วก็ให้คนที่เป็นญาติกู้ไปแล้วถูกโกงไปหมดเลยครเพราะว่าเสียใจมากแต่ว่าในเขาเขาคิดได้หน่อยหนึ่งว่าเอ้เราก็อยากได้ดอกเบี้ยเขาด้วยแหละครับ <laughs> คือว่าเมื่อก่อนนี้ล้านหนึ่งไม่ใช่น้อยนะครับ <c oughs> เราเราก็อยากได้ดอกเบียยเขาด้วยแหละถึงไง้ในก็เรียกว่าคิดได้มาหน่อยอย่างล้วแต่เรียกว่าเริ่มคิดเป็นขึ้นมามีโยนิสงนาชการขึ้นมาแต่ก็ยังไม่หายแค้นก็เตรียมปืนจะไปฆ่าเขาก็พอดีไปคุยกับผู้รู้ขึ้นมาท่านผู้รู้ก็บอกว่ า, าถ้าเขาตายแล้วคุณก็ไปติดคุกเงินก็ไม่ได้คืนคุณจะต้องติดคุก ก็ลองคิดดูว่าก็มีคนจํานวนไม่น้อยนะครับที่อยู่ในคุปต์เสียสินทพแล้วก็ยอมเสียเงินหนึ่งล้านสองล้านสามล้านเพื่อให้ได้สรนทรพเพื่อได้ออกจากคุปต์จะนี่คุณในเสียเงินไปหนึ่งล้านแล้วก็อยากจะต้อิดคุปอีกครับก็ลองคิดดูลองคิดดูให้ให้คิดดูครับคิดดูก็ได้ความคิดแลก็เลยวานปืนอระงับความคิดที่จะไปฆ่าครับ คิดว่ามีคนจำนวนมากที่ไปติดคุกแล้วก็ยอมเสียเงินสองสามล้านเพื่อจะได้ออกจากคุกยี่ห้าล้านก็มีให้ยี่้าล้านก็มีเดี๋ยวนี้ก็เรื่องอะไรเราจะต้องไปติดคุกเพราะเงินหนล้านใช่เสียเงินแล้วยังไปติดคุกอีก ไอ้ความคิดแบบนี้เลยว่าคิดเป็นขึ้นมาได้ผู้รู้ได้นักกาอันนี้คือคนที่แนะนําคือปรัตตโอโคสะครับปรัตตโอโคสะดีครับครัดีดีได้สิ่งรอบล้อมดีได้คนแนะนําดีใช่ครับแต่ตัวเองก็เกิดโยนิโสมณฑิการเกิดความไข้โคลนยึดขึ้นมาใช่ครับเป็นเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาครับทําให้ทําให้เกิดโยนิโสมณฑิการคือครับ การการใช้โยนิโสมนสิการก็สําคัญนะอาจารย์ฮะสำคัญมากเลยคือคิดเป็นคําว่าโยนิโสมนสิการนี่เราแปลงง่ายๆว่าคิดเป็นคิดเป็นนะฮะคิดเป็นคิดเป็นระบบอคิดเป็นระบบอ่าคิดเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นสิสต์เมติทอดนะฮะความคิดที่เป็นระบบหรือว่าทอดฟูนพวกที่คิดคิดเป็นระบบคิดเป็นเข้าใจในความคิดอ มีวิธีคิดนะครับจะนะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้เรียนกันในในโรงเรียนหรือในมหาวิทยาลัยของเราคือวิธีคิดว่าเรื่องนี้เรื่องนี้คนจะคิดอย่างไรเรื่องนี้เรื่องนี้คนจะคิดอย่างไรแล้วมันก็จะจะได้ผลออกมาดีมากๆเลยับเพื่อว่ามีวิธีคิดหรือคิดเป็น ในในหลักของวิธีคิดแบบโยนิโสมัตสัการจะมีวิธีคิดยังไงครับอ๋ออันนี้มีมีเยอะครับแล้วผมจะค่อยๆค่อยๆว่าไปค่อยๆไต่เข้าไปนะครับอาจารย์ครับค่อยๆไต่เข้าไปค่อยๆปอกเปลือกผลไม้เข้าไปคำถามที่ดีครับอาจารย์ครับผมผมผมคิดว่าเดี๋ยวจะไปถึงตรงนั้นนะครับอาจารย์ครับเมื่อไหลายหลายหลายเดือนหลายหลายปีมาแล้วครับไม่ใช่หลายเดือนดีนักศึกษาที่มาเรียนรำคางครับพยาผม แล้วก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องความขับแค้นไม่สบายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ก็คือว่าต้องสูญเสียเพื่อนไปเรื่องของเรื่องก็คือว่าเพื่อนไปมีคู่รักแล้วก็คู่รักไม่ค่อยดีก็บอกว่าเราก็หวังดีกับเพื่อนเพื่อเตือนเพื่อนว่าเลิกซะเถอะเพื่อนก็ไม่ยอมเลย <Okay. S 2> นี่ก็เมื่อไม่ยอมเลิกก็เออก็เลยแยกทางกันหมายความว่าเพื่อนสองคนนีแยกทางกัน ก็หวังดีแล้วเพื่อนไม่ยอมไม่รับไม่รับความหวังดีไม่เชื่อฟังแล้วก็น้อยใจมีความรู้สึกน้อยใจเสียใจมากเสียดายที่สูญเสียเพื่อนเพราะไม่ทราบจะทัอยัาใไรแล้วก็มามาเล่ามาขอคำแนะนำผมก็บอกว่าถึงข่าวที่จะต้องสูญเสียเราก็ต้องยอมให้เสียไป เท่านี้ครับพิจารณาเท่านี้ยคําพูดตัวเล็กเท่านี้ฮะเขาบอกว่าไม่เคยคิดเลยคือคิดไม่ออกเลยครับไม่เคยคิดถึงคําคํานี้เลยพอสะกิดนิดเดียวบอกนิดเดียวว่าถึงคราวที่จะต้องเสียก็ต้องยอมให้เสียไปครัจะไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจเพราะถ้าเราเป็นคนดีต่อไปข้างหน้าเราก็ยังหาเพื่อนที่ดีๆได้เยอะแยะไม่ต้องกลัว เพราะว่ามันดีดียันดุ ด, ดีอะครับแต่ <c oughs> ช่วมก็ดุดชัว่ว <c oughs> มาแรงหวัดก็ไปกับหมูมาแรงวัดมลแรงพึ่งก็ไปกับหมูมลแรงพึ่งเป็นธรรมดาเนี่ยฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนจะเป็นใครเป็นอะไรเมื่อถึงขราวจะต้องเสียก็ต้องปล่อยให้เสียไป เมื่อถึงข่ายจะต้องเสียนะถึงข่ายจะต้องเสียก็ต้องยอมให้เสียไปคนคนที่เกิดปัญหานี้ดังใจก็อยากจะให้คิดถึงมิตรเพื่อนฝูงผู้เคารพนับถือนะครับปรึกษาเลยนังใจนะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอิอไม่รู้ เจอทางตาเนี่ยไม่รู้จัะไปปรึกษากับใครอะไรแบั้นขนาดนี้ก็ให้ทิดถึงเพื่อนฝูงอย่างอย่างตัวอย่างที่ที่ลงเได้พิมพ์วันนี้ที่อาจารย์ไงกระโดดตึกตายอย่างเงี้ยครับแต่ทั้งทั้งที่สาเหตุก็เป็นเพียงว่าน้องสาวไม่กลับบ้านมานอนด้วยแล้วกระโดดตึกตายที่ที่ข่าวทังสุพิมพ์วันนี้ท่านอาจารย์ครับแค่นี้เองปัญหาแค่นี้เองอนะครับครับแล้วก็ค่าตัวตายครับคิดไม่เป็น่ะคิดไม่เป็นะเลยครับครับ ถ้าไมามาดูในระบบระบบสังคมของเมืองไทยทั้งเราก็มองว่าเป็นระบบซึ่งคิดไม่เป็นอะนรอาจารย์เมื่อมาดูปัญหาหลายอย่างที่พูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเรื่องเรื่องที่โทรณีสงหรือไม่โทรณีสงเนี่ยเพราะว่าการหนังสือพิมพ์ก็ลงมาหลายวันแล้วทําไมคิดไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นโทรณีสงหรือไม่ธรณีสงครับแม้แต่กรมการศาสนาเองก็ทีแรก ออกมาคืงขังแล้วไม่มีไม่เป็นที่ธรณีสองอา่าตอนหลังมาถูกหนังสือพิมพ์ว่าไปว่ามาบอกอาจจะไปพิจารณาใหม่ครับก็กลายว่าไม่มีวิธีคิดตั้งแต่เบื้องต้นแหละคือนักกฎหมายก็แต่ละสํานักขัดแย้งกันยันหนังข่าวก็อีกสำนักหนึ่งก็บอกว่ามันถูกมันเป็นธรณีสง่าอีกสํานักหนึ่งก็บอกว่ามันมันผิดกฎพระพราชบัญญัติกรมที่ดนินมันมันขัดแย้งกันลักษณะยอย่างนี้นะแต่อันนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย ท, ที่นี้ก็ที่นี้ก็มามาถิงตอนที่อาจารย์ถามลงหน้าเอาไว้จะ ก, กี้นะฮะว่าเอ่อมันมีระบบหรือกระบวนการยังไงบ้างใช่ไหครับความคิดเป็ดนะก็เอ่อมันมีอยู่สองสองแนวนะครับอาจารย์ครับคือประการที่หนึ่งก็คือคิดแบบสนองตันหา คิดแบบสนองตันหาคิดแบบสนองกันหาคือว่าคิดด้วยความอยากคิดไปตามความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากสิ่งนั้นอยากสิ่งนี้ความอยากเป็นสิ่งกระตุ้นเราให้คิดมีความอยากเป็นตัวจูงโมติมีความอยากเป็นโมดิความอยากเป็นตัวเราแล้วก็คิด คิดก็คิดไปตามความอยากอซึ่งซึ่งก็ อ, อจะอันเนี้ยไอความคิดแบบเนี้ยจะโดยมากก็จะมีกระดดเป็นส่วนมา ก, ก น, นะครับ <c oughs> จะมีแตคนทั่วไปหรเป็นส่วนมากอยากอยากได้อะไรก็คิดแคบคื อ, ค, อคือมีความาอยากมีความอยากเป็นตัวกระตุน้ <c oughs> นะเป็นโมติเป็นแรงจูงใจครับ <c oughs> แล้วก็คิดไปตามแนวของอยาก เพื่อสนองตนาเพื่อสนองความอยากของตัวเองเพื่อสนองความอยากครับไอ้ตรงนี้เลยที่ทําให้เกิดความทุกข์ใช่ครับที่ท่านเป็นชาวไทยแก้เป็นไทําให้เกิดความทุกข์เพราะว่าธรรมชาติมันไม่ต้องมันไม่เป็นไปตามความอยากของคนธรรมชาติมันคือธรรมชาตินะครับทีนี้คนเราก็อยากอยากให้เป็นไปตามที่ตัวเองอยากมันก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาครับ โ ด, โดยธรรมดามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอยากครับมันไม่ได้เป็นตามที่เ ร, เ, รเราอยากเป็นไปนตามเหตุปัจจัยตามเหตุปัจจัยของมันใช่ครับครับตอนนี้ก็ประการที่สองคือคิดตามแนวเหตุผลครับคิดตามแนวเหตุผลนี้เป็นแนวปัญญาเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้แก่จิตใจซึ่งเคยชินอยู่กับความคิดแบบสนองาาันา นะครับจิตของเราเนี่ยครับมันเคยคิดอยู่กับความคิดแบบสนองตัญหาว่าทําแล้วได้อะไรไปเรียนแล้วได้อะไรครก็มีลูกศิษย์หลายคนนะครับไปเรียนธรรมะพ่อแม่ก็ห้ามไม่ให้ไปเรียนคแค่ก็เรียนว่าเรียนธรรมะแล้วได้อะไรออืถ้าไปเรียนภาษาอังกฤษก็ยังพอไปใช้ได้นะเรียนธรรมะไปใช้อะไรก็ได้อะไรใช้อะไรับ อพอแม่บางคนก็คิดไปตามแนวสนองปัญหาอยู่ตลอดเวลานะครับทําอะไรก็ต้องได้อะไรมาเป็นเป็นวัตถุครับเป็นสิ่งตอบแทนจึงจะพอใจครับแต่ทีนี้เด็กบางคนนี่หรือคนบางคนที่เป็นลูกมันจะลุแกทะลุมิติขึ้นไปคือว่าอายุยังเด็กแต่ว่าจิตเป็นผู้ใหญ่อายุจิตเจริญนะครับบางคนก็เป็นผู้ใหญ่ แล้วอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบปีแต่ก็อายุจิตก็ยังเป็นเด็กอยู่ความคิดเหมือนเด็กเด็ายังเป็นเด็กอยู่เรียก ว, ว่าเรียก ว, ว่าเด็กในร่างผู้ใหญ่ครับแต่บางคนก็เป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กไม่ไม่เหมือนกันตรงขันข้ามเลยนะฮะรตรงขันข้ามเลยอันนี้ก็เขาคิดไปตามแนวเหตุผลก็คัดแย้งกันบ้างอะไรกันบ้างก็ตามเรื่องนะฮะพ่อแม่กับลูก อีกค น, นงก็คิดแบบแนวสนองกันาอีกค น, นก็คิดตามเหตุตามแนวเหตุผลนั่นเองเนี่ยถ้ามัเป็นปนักหาสังคมอยู่ใช่าหอาจารย์ครับอย่างถ้าเคยได้ยินอยู่อยังงพ่อแม่เนี่ยให้โลกส่งเสริมให้โลกเรียนไปเรียนหมอสิอะจะได้มีเงินมีทองเยอะแยะับแต่แทนที่บอกเออไปเรียนหมอที่จะได้เอาความรู้ไปช่วยเหลือสังคมไม่ใช่อย่างนั้นับอออย่างนี้แสดงว่า ไอ้ความความคิดอย่างเงี้ยเป็นความนนเป็นการคิดแบบสนองตัาหาสนองต้านหาครับ<ช>แล้วบางทีเด็กเขาก็เชื่อนะครับก็<ม>ส่วนใหญ่ก็จะเชื่ออ่าเด็กก็จะเชื่อแล้วก็เห็นตัวอย่างของผู้ใหญ่ที่เดินอยู่ข้างหนา้าว่าเ อ, อคุณลุงก็ดีคุณคุณอาก็ดีคุณอะไรหลายๆคนที่เขาเป็นหมอแล้วเขารวยครับก็อยากจะรวยแล้วก็ไปเป็นหมอเป็นหมอแล้วก็รวยอีกทิ้งด้วยถ้าเรื่องเรื่องนี้มีมีเพามีประสบการณ์ก็มีประพวงกันนะฮะ ก็มีลูกสอบเข้าโรงเรียนในร้อยเสร็จแล้วก็วันหนึ่งพ่อเขาก็มาคุยบอกว่าเนี่ยซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกหนึ่งเครื่องเป็นรางวัลอ่าไม่ใช่ลูกก็เอาไปโรงเรียนก็ไปให้เพื่อนๆเข้าโทรศัพท์ะก็ไปเก็บเงินจากเพื่อนๆหาอะไรได้หาอะไได้แต่ก็ภูมิใจว่าเออลูกของแกเนี่ยคิดคิดเป็นหาอะไรได้หาอะไรได้เป็นนักเป็นนักเรียนในร้อย ผมก็มาคิดว่าโอตายแล้วถ้าหากว่าระบบทหารไปสอนให้เห็นแ่ตัวเห็นแค่ตัวแลกว่าไปเอาผลประโยชน์จากเพื่อนเพื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยต่อไปก็จะเป็นนทหารยังไงยังนึกได้ไม่ออกก็จะเขาจะอยู่ในสังคมได้ยังไงอันนี้มันคือความคิดอย่างเงี้ยความคิดที่สนองความอยากใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เป็นกันส่วนมากนะครับเป็นกันส่วนมากแต่ว่า ถ้าเผื่อผู้ใหญ่เขาแนะนำถูกต้องหรืออบรมมาตั้งแต่เด็กนะว่าถ้าเผื่อไปเป็นอะไรก็ไปเป็นเพื่อจะได้ช่วยเหลือประชาชนหรือว่าได้ทําประโยชน์ไปเรียนอะไรไปทํางานอะไรก็ไปทาเถอะแต่ว่าขอให้ตั้งจุดมุ่งหมายเลยว่าเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราเอาเอาการงานของเรานี่แหละเป็นเป็นแนวทางสำหรับที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับ ความคิดสองแนวนี้มันก็ขัดแย้งกันอยู่แล้วความคิดในแนวเหตุผลนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับแนวเหตุผลว่าหรือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นความคิดที่มีความจําเป็นแก่ตัวเราคือขอให้คิดในสิ่งที่ว่ามันจําเป็นแก่ตัวเราเหมาะสมกับตัวเราเราไม่ไม่ต้องตามโลกก็ได้ค อันนี้ครับที่ปราชญสมัยใหม่เขาเรียกเอ็ก t ิสเ i นเชียสบแต่ว่าอัตถิภาวานิยมปแปลเราแปลว่าแปลเป็นบาลีอัตถิภาวะนิยมหรือชีวิตนิยมเน้นไปในเรื่องที่ว่าให้บุคคลกระทำสิ่งต่างๆให้เหมาะสมแก่ความจำเป็นของตนไม่จำเป็นจะต้องไปคอยดูว่าโลกเขาจะคิดอย่างไรคนอื่นจะเห็นอย่างไรจะนิยมอะไรอย่างไรไม่สำคัญ แต่สาคัญอยู่ที่ว่าสิ่งนั้นเหมาะสมแก่เราอย่างไรครับก็ทําไปตามนั้นให้เหมาะสมแก่เราเราจะประสบความสําเร็จได้ก็ด้วยทําสิ่งที่เหมาะสมแก่ตัวใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับแล้วแต่ละคนก็บางทีอาจจะไปคิดเอามาตรฐานของคนอื่นคแต่เป็นเป็นตัวเป็นแบบอย่างครับเถ้าเกิดเป็นขนุนมันก็ต้องดีอย่างขนุนนะครับเกิดเป็นมะม่วงก็ดีอย่างมะม่วงเกิดเป็นทุเรียนก็ดีอย่างทุเรียน ถ้าให้ถนนมันเหมือนมะม่วงมะม่วงพัฒนาไปอย่างไรมันก็เไปไม่ได้มะม่วงไม่ได้ครับไม่ได้เปนคนละอย่างกันคแต่ว่าเมื่อเอามารวมกันแล้วมันก็ดีอ่ะเได้ประโยชน์ทั้งทั้งทั้งมะม่วงทั้งถนนทั้งทุเรียนนะทุเรียนครับเอามากินอย่างน้นบ้างกินอย่างนี้บ้างมันก็มีคุณสมบัติคนละอย่างครับครัับนการที่จะไปทําให้ทุเรียนมีรสเหมือนมะม่วง ทำให้มาม่วงมีรถเหมือนถนนมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วทำไม่ได้อยู่แล้วครับผมขอเสนออนิดนึงครับก่อนที่จะเปิดสายนะครับคือโยนิโสมนสิการสองประเภทนะครับสองประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าประเภทพัฒนาปัญญาประเภทพัฒนาปัญญาคือโยนิโสมนสิการในเรื่องสัจธรรมและสมมติธรรม มีความรู้ความเข้าใจว่าอะไรเป็นสัจธรรมอะไรเป็นสมมติธรรมก็ขอยนึกดูนะครับว่าคนส่วนมากอยู่ในโลกของสมมติอย่างน้อยอเราก็ยังเลิกสมมติไม่ได้แต่เราจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งสมมติอะไรเป็นของจิตคริงจะต้องคิดให้ได้ให้เป็นตัวอย่างเช่นว่ายศศ์เงินตำแหน่งพวกนี้เป็นของสมมติกันนะนะครับ หรือว่าในตัวคนของเรานี่รวมกันทั้งหมดเป็นคนเป็นสิ่งสมมติว่าเป็นคนคของจริงก็คือธาตุสีดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหรือธาตุกนะครับก็ประมวลกันเข้าเป็นคนก็เรียกว่าคนโดยชื่อกอขอค อ, องอเดี๋ยวนะครับอาจารย์ครับกับเทมนิดทหนรับชื่อทองขาวชื่อ การมนุ่ย์ถือว่าสมมติทางนั้นสมุลของจริงก็คือขันห้าขันห้าขันห้าธาตุของจริงก็คือขันห้ารูปเวทนาสัญญาทางการวิทยาของจิตก็มารวมกันข้าวก็เป็นสิ่งสมมตินะครับอย่างยังวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็บอกอัตตอบอัตตอบว่พอเราแยกย่อยออกไปออกไปมันเป็นอัตตอบคือว่า ไอ้ไอ้สารเนี่ยใช่ไหมอาจารย์รแยกไปแยกไปก็เป็นคำตอบแล้วเราก็มองเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้ก็เป็นสิ่งสมมติไม่ใช่ของจริงจะเป็นสารประกอบก็พยายามศึกษาให้รู้ปรโยชนิสโสมนาสิกการประเภทพัฒนาปัญญาเนี่ยครับต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นสิ่งสมมติแล้วเราก็ได้สบายใจ สบายใจรู้อะไรเป็นสิ่งสมมติอะไรเป็นของจริงใช่ไหมครับแล้วก็อย่างเลี้ยนดาเลี้ยนดาสายสะพายอะไรอย่างนี้มันก็เป็นของสมมติอันนี้ไม่ได้กระทบใครนะฮะคือบอกให้รู้ความจริงว่ามันเปของสมมติเป็นของสมมติไม่ใช่ของจริงแม้แต่พัดยศเนี่ก็สมมติมันแค่ไม่ของสมมติการสมมติไม่ใช่ของจริงสมมติคือต้องเล่นแบบสมมติ อใช่ครับแต่ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับต้องยอมรับมันเป็นสมมุติสัจจะเนี่ยมันเป็นจริงแต่ว่าต้องรู้ไปอีกขั้นหนึ่งว่าจริงอย่างสมมุติไม่ไม่ใช่จริงอย่างแท้จริงทีนี้พอพอรู้อย่างนั้นมันก็สบายครับสบายได้เยอะเลยคือมันมีจริงอย่างไม่จริงอกับจริงจริงจริงคือคือจริงที่อยู่บนสมมติกับจริงที่อยู่บนความจริงแต่แทะจริงที่อยู่บนสมมุตินี่เรียกว่าจริงไม่จริง เออทิ้งที่อยู่บนชัจ้จะเรียก ว, ว่าจริงจริงๆริงใช่ครับแต่อาจารย์ก็ให้คำพูดดีครับทีนี้ประการที่สองนะครับ <c oughs> อ, อประเภทสร้างสร้างเสริมคุณภาพจิตที่อัแรกนั่นเป็นประเภทที่พัฒนาปัญญาแล้วก็ประเภทที่สองเป็นประเภทสร้างเสริมคุณภาพจิตปลูกเร้าให้เกิดคุณธรรม เดี๋ยวโยในโสมนัสสิการระดับจริยธรรมซึ่งมีความสําคัญมากเลยนะครับความปลุกเร้วให้เกิดคุณธรรมนะครับใช่ครับทําให้เรามีความคิดที่ดีทําให้เราได้แนวคิดที่ดีมีพระรูปหนึ่งนะครับสมัยพุทธกาลท่านบวชแล้วท่านบอกว่าสิกขาบทบัญญัติในศาสนาพุทธมีมากมีวินัยมากและเกิดรักษาไม่ไหวจะเสร็แล้วครับ พระพุทธเจ้าก็จัดบอกว่าไม่ต้องรักษามากก็รักษาอย่างเดียวได้ไหมถ้ารักษาอย่างเดียวได้ก็ก็ให้รักษารักษาอย่างเดียวนะพระพุทธเจ้าก็จัดบอกว่าให้รักษาจิตให้รักษาจิตเจอความคิดอย่าคิดไปในทางอกุศลก็พอแล้วให้คิดแตในทางกุศลทําได้ไหมพระท่านก็กราบทูลวัดทําได้ทําได้ลองดูสักเกียติวัดพระท่านก็ทําได้ พอคิดไปในทางกุศลคิดดีกายวิจา ก, ก็ดีค<ฆ>รับเพราะว่ากายวิจาร ก, ก็ขึ้นอยู่กับความคิดรักษาอย่างเดียวคือรักษาความคิดให้อยู่ในทางที่ดีก็ไม่ต้องไปรักษาอย่างอื่นวินัยสองรอยี่สิบเจ็ดข้อก็ไม่ต้องไปรักษาคนที่ไม่ต้องไปรักษาแล้วเพราะว่ารักษาข้อเดียวรักษาข้อเดียวรักษาจิตเพราะฉนนที่ไปล่วงศีลล่วงวินยัยก็เพราะว่าไปจากความคิดที่ไม่ดีก่อน ใช่ไหมครับครับไปจากความคิดที่ไม่ดีก่อนพอ ร, รักษาความคิดได้มันก็รักษาได้หมดรักษาได้หมดสิสิททุกข้อมก็ทำได้รักษาได้แล้ว่าคุ้มครองใจได้ครับแล้วก็ถ้าคิดไปในทางกุศลอย่างนี้อยู่อยู่อย่างดูเรื่อยๆธรรมะก็รักษาได้หมดเหมือนกันความคิดอย่างนี้ครับเรียกว่าความคิดที่ปลูกราคุณทรัพหรือว่าเป็นระดับญริยธรรม ทำให้เรามีจริยธรรมที่ดีขึ้นหรือว่าคิดไปในทางที่ดีอยู่เสม อ, อก็อจะได้ประโยชน์มากาสงสัยจะได้เวลาเปิดค่ายแล้วมั้งอารับนะครับท่านผู้ฟังที่เข้ารับ่านาอนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วนสมัยท่านอาจารย์วสินนำเรื่องโยนิโสมนัสิการ มาเสนอเป็นข้อคิดสาหรับวันนี้นะครับโยนิโสมนศสิการนี่ก็หมายถึงเป็นระบบการคิดเป็นวิธีเป็นการคิดแบบระบบมาเป็นระบบคิดเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งท่านเสนอวิธีคิดแบบโยนิโสมนศสิการสองสองแบบด้วยกันก็แบบที่หนึ่งก็คิดคิดแบบสนองตัญหาคิดด้วยความอยากประการที่สองคิด ตามแนวเหตุผลคิดด้วยปัญญาแล้วก็ท่านแบ่งโยนิสโสมรณาธิการออกเป็นสองสองประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือโยนิสโสมนณาิการแบบพัฒนาปัญญารู้ว่าอะไรเป็นสมมติสัจจะอะไรเป็นธรรมสัจจะหรือว่าเป็นสัจธรรมประการที่สองเป็นโยนิสโสมแบบสร้างเสริมคุณภาพจิตเป็นการปลุกเล้าให้ เกิดคุณธรรมทําให้เรามีความคิดที่ดีแล้วก็ทําให้มีจริยธรรมครับวันนี้เป็นแนวทางซึ่งวันนี้เราก็ได้พูดคุยกันมาก็เป็นประโยชน์นะครับต่อไปแล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเอาโยมสะเทือนอมาละฟังโยมสะเทือนคิดอย่างไรอครับ สวัสดีครับครับวันนีเกี่ยวกท่านอาจารย์แล้บสวัสดีท่านอาจารย์กระสินครับผมโดโยนิโสมานักกาการเพื่อการพิจารณาใดๆด้วยความแยกขายเนี่นะแต่ถ้าอยโยนิโสตามที่ท่านอาจารย์ว่ามิจฉาทิฏฐิมันเกิดขึ้นเป็นทวีคูณ่แต่ไไปประกอบกิจการใดทัทางโลกกละทางธรรมเรียกว่าหมาประสศัความสําเร็จตลอดชีวิตแต่ทั้งว่ามันเป็นเหตุนะครับให้หลงลืมๆเมื่อถึงวัชิลาเป็นปัญหาแก่ลูกหลานแก่สังคมนะแต่ถ้าโยนิโสเนี่ยนะครับก็ เมื่อใชพิจรณาทั้งตอนดำเนินชีวิตอยู่กับทางโลกในทางที่ดีก็เป็นผู้ทวาสร้างสรรค์คือไม่บิดเบีย น, นนะครับผมแต่ถ้ามาใช้ในทางธรรมก็สำหรับผูปฏิบัติธรรมก็จะประนาไปสู่ความหลุดพ้นจากอัตตาตัวตนนั่นนะฮะทีทนี้าบางอาจารย์เนี่ยสอนไม่ให้เน้นในโยนิโสจนเกินไปเกินเหตุเกินไปนี่กระผมสงสัยว่ามันจะเจริญไปได้หรือไม่อย่างใดยังไงนะฮะยังไงนะเขสอนไม่ให้เน้นในเรื่องโยนิโสมนนะสิการะจนเกินเหตุเกินควระใคร ก็บางอาจารย์นะครับนี่ว่าผมผมกลับเรียนถามว่ามันจะเตลิดไปได้หรือไม่อย่างไรอะอ่าสวัสดีครับผมขอบคุณครับเพราะทำให้ใช้โยนิโสมนัสิการมันก็ไม่ใช้โยนิโสมนัสิการสีคมันจะเตลิดไปครับไม่ใช่ใช้แล้วเตลิดใช้แล้วไม่เตลิดครับต้องใช้โยนิโสมนัสิกานแสดงว่าคุณเสถียรก็ฟังมาก็ไม่ได้โยนิโสมนัสิการอว่า แต่ยิ่งมีโยนิโสมนัสิการมากเท่าไห ร, ร่บการที่จะเตลิดหรือ ว, ว่าไปผิดทางมันก็ไม่มีแล้วมันโยนิโสมนัสิการเป็นตัวปิดหนทางที่จะทําให้เตลิดใช่ไหมครัท่านอาจารย์ถ้าไม่มีโยนิโสมนัสติกานจะเตลิดจะเตลิด ใ, ในในทางธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้ครับอาจารยนะ์โยนิโสวิจินีธรรมมังพึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยกข่ายปัญญายัดทางวิปัสสติ บุคคลย่อมจะเห็นอัดด้วยปัญญาเห็นเนื้อความแห่งธรรมนั้นด้วยปัญญาครับ โ, โยนิโสวิจินีธรร ม, มวิจัยธรมยธรมอด้วยัวยอุบายอบนแยกขายด้วยโยนิโสนะฮะด้วยโยนิโสมนณะสิการพึงพึงวิจัยธรรมพึงพิจารณาธรรมโดยแยบขายปัญญายัดถังวิปัสสติอย่อมบุคคลย่อมจะเห็นอัดแห่งธรรมด้วยปัญญาครับ ไม่เตลิดไม่เตลิดแน่นอนแต่ถ้าไม่มีสิเตลิดทําให้มีเตลิดแน่อราขออาจารย์สนิทก่อนนะครับครับอาจารย์สนิทก่อนครับสวัสดีาจารย์สนิทครับสวัสดีครับอาจารย์วสินสวัสดีอาจารย์ครับที่เคารพดีใจครับที่อาจาดีเห็นเห็นอ้างถึงครับก็เลยติดตามอยู่ทุกคืนที่นี่ก็อยากจะเรียนถามก่อนที่จะตอบปัญหาเรื่องปุปปโกาโกติครับ อัญญายติในทางวยากร์นี่เราสนิทเรานิฐานว่าให้อสองสิ่งนี้ถ้ามันเป็นสิ่งเนื่องต่อเป็นอันเดียวกันในส่วนเดียวกันกิยาก็มักจะเป็นเอกพจน์นะก็ถือว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติที่มันมีความถุกเนื่อง อย่างพราทิศเช้นพราทิตตกนี่ก็มันไม่จำเป็นต้องใช้กิยาปพจน์ก็ได้<อ>มันก็มีอยู่หลายแห่งแต่ว่าตรงนี้ยังเอาอะไรมายืนยันไม่ได้าะกำลังนอนนอนป่วยอยู่อ <c oughs> ยังอย่างไ <c oughs> ปหาคนยังไม่ได้าทา ง, งวิธีคิดนี่แ ก็วันนี้ไม่ได้ใช้หลักฐานแต่ใช้วิธีคิดวิธีคิด่ประการที่สองในเรื่องที่ท่านอาจารย์นํามาอ้างถึงเรื่องบุปปาโกตินี่มันไปเชื่อมโยงอยู่กับพานามาตโคถังสาโรอ่าก็แปลว่าข้อความตอนหลังเนี่ยอาจจะมีความสืบเนื่องจากตอนแรกก็ถ้ารรบแปลว่าตอนแรกที่สุดและเบื้องต้นบุคคลไปตามอยู่ไม่ได้เรอแปลาตามจำนวนบาลีเนี่ยค ก็มหมายความว่าทั้งเบื้องต้นทั้งทั้งทั้งที่ททสุ ด, สดมันรู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ก็มาไขเป็นตัวหลังว่าปุผาทั้งเบื้องต้นและที่สุดามาก ท, ท, ที่สุดแต่ที่นี้ถ้าหากว่าประการที่สามเนี่ยถ้าเราจะเขียนวงกลมไว้ในกระดานดำสักสักวงกลมหนึ่งแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นนะปิจูงมือคนที่ไม่ได้เห็นเราเริ่มว่าเราเริ่มตรงไหนแล้วมันไปจบตรงไหนครับ ก็ไม่มีใครตอบได้ว่าวงกลมวงนี้เนี่ยที่สุดมันอยู่ตรงไหนและตัเริอมต้นมันอยู่ตรงไหนก็ก็ก็ไม่สามารถจะชี้นะนอกจากไอ้คนที่มันมันเป็นคนเขียนครัอสังสารวัตรนี่มันก็เป็นวัตวัตใจจักรวงกลมที่จุดเน้นของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยคงจะไม่ได้อยู่ที่ไอ้กำเนิดของชีวิตที่มันพัฒนาการมายาวนานนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในทางกี่ยวกฟิสิกส์ แต่ว่าในทางนามธรรมจริงๆหรือตัวธรรมชาตินี่คงจะหมายถึงกิเลสกรรมวิบากที่มันหมุนต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยตราบใดที่ยังอยู่ในวงกลมนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นวัดตจักรของสังสารวัตรเป็น c y c เก of r e ฟร r เวเนี่ยปัญหาว่าไอ้สามตัวนี้มันเริ่มตรงไหนคราก็ต้องตอบให้ได้ถ้ามันตอบไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่มีจุดเริ่มตน้น แล้วก็ไม่มีจุดสุดท้ายทีนี้ถ้าจะแยกนิพพานเอามาว่ามันน่าจะปัญญายติคือปรากฏได้เพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นผลของของการปฏิบัติตามมากแล้วก็ถ้าใครเดินไปตามทางสายนั้นก็สามารถจะถึงแล้วก็เห็นมองเห็นชัดๆัดอยู่เอจนิพพานเนี่ยมันอยู่นอกกระแสของของสังสารวัตรแล้วก็คือแยกออกไปต่างหากะฉะนั้นถ้าจะเอามารวมเข้า อ่าในในกระแสะของของวิวัฒนาการของของสังสารวัตรมันก็น่าจะไม่ค่อยถูกแต่ทั้งนี้ก็ก็ก็อาจารย์จะคิดว่าอย่างไงผมก็ยังเคารพในส่วนของความคิดนะเพราะว่าความแหลมคมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสี่ได้ติดตามมาโดยตลอดก็ก็เป็นที่น่าเชื่อถือแต่อาจารย์จะยืนยันเชื่อเพื่อไม่ให้อสาธนิสหรือผู้ที่สนใจได้ได้ได เออได้ได้เข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลรวมทั้งกับผมเองด้วยครับทีนี้ก็ไอ้นี่เป็นเป็นแต่เพียงโยนิโสมานาธิการตามแนวของผมนะขอกราบขอพระคุณท่านอาจารย์ท่านาเป็นเป็นไงให้สุขภาพตัวนี้ปฏิกิโตดิกิจยะเวชานาสีวิวัชิโรไอคาถานี้นี่เพิ่งมารู้จักครับ มาเห็นแจ้งตอนนี้มาเห็นแจ้งเพราะว่าเราไปเดินเยอ ะ, ะตอนนี้ใจอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับครับพอเดินเยอะไอ้เหล็กมันบานห อ, อกมาหน่อยนึงแล้วก็หมอก็บอกเพิ่งว่าถ้ามีนาเนี่ยมันไม่ติดกันก็จะต้องถ่ายต้องํำเดินกันใหม่ครับตอนนี้ให้ไปไหนต่วไหนวิ่งได้สบายเพราะว่าหมอปฏิเสธแล้วทีนี้โอกาสที่จะหายมันก็มีประมาณสัก จากสิบเปอร์ซ็นเนี่ยสิปอร์ซ็นตนี่ถ้าเราตรวจม์มั่งอะไรมั่งต <c oughs> ั้งสัตจาธิษฐานอย่างที่อาจารย์เคยเสนอเนี่ยคือ <c oughs> อ้างเอาคุณความกินจึ่นว่าเคยเรียงแมวเรียงอะไรก็ขอให้คุณคุณผลนี้มันทำให้เราได้หาย ห่วยอะไรเนี่ยอคือนั่งสัจจาทิฐานไม่อาทิฐานเฉยๆนะสัจจาทิฐานตอนนี้เดินมากนะท่านนะก็เลยเครื่อเบื่อที่มันเราก็ไปนั่งอยู่แต่มินด้ามังอะไรมันคืออยู่เฉยๆไม่ได้หกชั่วโมงไปขึ้นตึกมหาจุฬาสามชั้นเนี่ยเหมือนหน้าจะ ไปแ่งทำไปไหนแต่ไหนเนี่ยนะด้วยจัดจับารมีนี่ก็คงจะหายครับขอบคุณอาจารย์นะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองด้วยขอบขอบคุณอาจารย์สนิทมากเลยครับ ครับผมขอบคุณอาจารย์สนิทมากนะฮะลุงเลิศลุงเลิศอ่าลุงเลิศอ่ะขอขอสวัสดีอาจารย์ท้องขาวด้วยความเคารพแล้อาจารย์กระบวนด้วยความเคารพแล้อาจารย์วสินด้วยความเคารพนะครับแล้วขอตามความเคารพไปถึงหลังใหม่ด้วยนะครับขอเคารพทุกคนครับขอเคารพทุกคนครับขอขอขอเคารพทุกคนนะครับอประหยัด ครับครานี้ผมก็ถามส่านนิดเดียวนั่นแหละเพื่อความเข้าใจนะครั บ, รบตามภาษาคนไม่ค่อยเข้าใจนะครับ<อ>ในที่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าให้เดินตามหลักมัชชิมะปฏิปทานะ่ะมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับที่มันเกินทางโน้นทางนี้หรือไม่ผมก็ถามแค่นี้แนละ้วผมจะคอยฟังคำยุนะครับครับขอบคุณครับผมขอสวัสดีด้วยความเคารพทุกๆท่านนะครับครับครับขอบคุณครับครับครับขอท่านใจครับคุณเลิศ ครับครับจะคิดถามว่าไงครับถามว่าเอเพื่อเจ้าสอนให้เดินตามหลักมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยครับมันพอยังไงนะเขาบอกว่าพอก็ไม่ทางไม่มีทางผิดอ่ะครับถ้าเดินมัชชิมาปฏิปทาก็ไม่มีทางผิดเพราะว่าคุณธรรมทุกอย่างมันเป็นมัชชิมาปฏิปทาก็แปลว่าให้เดินตามคุณธรรมนะครับ แต่พูดถึงเรื่องมัทมาปฏิปทาวันนี้ก็ไปที่สัมมนานะก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่ามัคแปดผมบอกว่าไม่ใช่มัคแปดมัคก็มีมัคเดียวแต่ว่าประกอบด้วยองค์แปดประการอาจารย์ไม่ทราบว่าผมพูดถูกของอาจารย์ถูกครับคขอบอาจารย์อาจารย์นะท่านก็ท่านขึ้ื่นไปบรญญาท่านบอกว่ามัคแปดพอลงมาผมว่าไม่ใช่ะมัค มากเดียวนะวแต่ว่ามีผมก็ยกประเด็นว่าอัธถงกิโกรมะโคครับโยอริ ย, อ, <า>รยอัธถงกิโกครับท่านอาจารย์ก็ศีลไม่อะไรจะเพิ่มเติมในช่วงนี้เชอญน ะ, ค, ะครับก็ก็ขอขอบคุณอาจารย์สนิทนะครับที่ออกมาให้แนวคิดที่คิดดีนะครับครับ ไอแนวคิดที่ดีก็จะเอาไปคิดต่อนะครับครับโยนิโซในการต่ออย่นะครับคจะเป็นยังไงนะครับครับผมครับการขอบคุณท่านอาจารย์มากครับครับท่านรุ่นพัน